ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่จะนำมากราวในวันนี้ชื่อกรณนยเมตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเมตตาอันเป็นกรณนยะคือข้อที่บุคคลควรกระทมหรือสรุ ป, ปง่ายๆว่าเมตตาธรรมที่ควรบำเพ็ญ ประศูนย์นี้ทรงแสดงเมื่อประทับที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีในเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันแต่มีข้อความเบื้องต้นคือเหตุที่ให้ทรงแสดงประสูนย์แตกต่างจากข้ออื่นยางที่เคยกล่าวมาในคราวแรกว่าประสูนย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะมีเหตุเกิดมาจากสี่แหล่งด้วยกัน แรงแรกคืออธัธยาศัยของพระองค์เองมีพระประสงค์ที่จะทรงแสดงธรรมะเรื่องอะไรก็จะเสด็จไปหาภิกษุเองหรือเรียกภิกษุให้มาหาแนวที่สองนั้นเกิดจากอัธยาศัยของคนอื่นคือคนฟังมีพื้นจริตอัธยาศัยควรจะรู้ควรจะเข้าใจในเรื่องอะไรก็จะทรงแสดงเรื่องนั้น แนวที่สามก็เกิดขึ้นจากมีเหตุการณ์มีเรื่องราวพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแนวที่สี่ก็มีคนมาถามปัญหาแล้วก็จะส่งแสดงไปตามสมควรแก่พื้นฐานของคนฟคังก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าคนฟังมีขีดความสามารถที่จะเข้าใจได้ว้างขวาง <c oughs> เรื่องที่จะส่งแสดงก็จะกว้างขวางออกไป แต่ถ้าคนฟังมีพื้นอัตยาใสายไม่มากพอก็จะแสดงในขอบข่ายที่จำกัดแต่าบางคนถามนอกเรื่องพูดไปแล้วไม่อยู่ในวิสัยที่แกจะเข้าใจได้ก็จะไม่แสดงประสตุที่กล่าวนี้เป็นประสตุที่เกิดด้วยมีเรื่องเกิดขึ้นมีใจความโดยย่อว่าคราวหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปได้เรียนกรรมฐานในพุทธสํานัก คือในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เที่ยวไปในป่าแสวงหาที่วิเวกสงัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเจริญกรรมฐานแล้วเข้าไปพักในป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปรุ่งกันเช้าท่านก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้น ประชาชนในบ้านป่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในเรยาบุตในการประพฤติปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเราสอบถามทราบความว่าท่านต้องการสแสวงหาที่เพื่อปฏิบัติกรรมฐานชาวบ้านเหล่านั้นก็ขอให้ท่านอยู่จำพรรษาในป่าในบ้านป่านี่กเขาจะช่วยเหลือในด้านที่อยู่ในด้านอาหารเอง ท่านตั้งหกสบรูปก็รับคำในตอนที่ท่านพักกลางคืนนั้นพวก้กรุกเทวดาทั้งหลายก็เดือดร้อนเพราะว่าผู้มีศีลอยู่ข้างล่างตัวเองอยู่ข้างบนเป็นการไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องลงมาอยู่ข้างล่างแต่คิดว่าไม่เป็นไรเราอยู่ข้างล่างคืนเดียวพรุ่งนี้ท่านก็กลับแล้วพอเห็นท่านกลับมาอีกก็คิดว่าคงจะมีคนนิมนต์ คืนพรุ่งนี้ท่านคงกลับไปก็เห็นเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไอย้ความอดทนต่างๆที่เคยลงมาอยู่ข้างล่างด้วยความยากลำบากสำหรับพุกเทวดานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความไม่พอใจต่มีความรู้สึกว่าถ้าพระอยู่อย่างนี้ตลอดสามเดือนแกก็ต้องอยู่บนพื้นดินตลอดสมเดือนแต่จะไล่พระมันก็ไม่เหมาะไม่ควร ในที่สุดก็ไปสแสดงเสียงที่น่าสะพึงกลัวบ้างสร้างรูปที่น่าสะพึงกลัวบ้างสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดอาการสยดสยองสะดุ้งขึ้นภายในใจของพระเหล่านั้นบ้างและบางครั้งบางคราวก็ทําให้เกิดเป็นโรคหวัดโรคจามโรคไอขึ้นมาเป็นต้นตในที่สุดสรุ ป, ปรพระเหล่านั้นทํากรรมฐานไม่ได้ใจไม่สงบมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลย ในที่สุดก็พร้อมใจกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพเจ้ารับสั่งถามว่าทําไมจึงกลับมาท่านก็กราบทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบและรับสั่งว่าให้ไปอยู่ในที่นั้นเลยอีกท่านบอกว่าอยู่ไม่ไหวหรอกคืออยู่มันก็ทกํากรรมฐานไม่ได้ในรับสั่งว่าเมื่อก่อนนั้นเธอไปโดยไม่มีอาวุธไป ต่อไปนี้ก็จะให้อาวุธไปอาวุธนั้นก็คือธรรมอาวุธเป็นอาวุธคือธรรมะรับสั่งแสดงพระสูตรที่เรียกว่ากรณียเมตสูตรซึ่งก็เป็นอาวุธธรรมะจริงๆล้วนๆให้ท่านเหล่านั้นนำไปสาธยายและประพฤติปฏิบัติโดยมีหลักในการ สาธยายว่าครั้งแรกก็สาธยายคือท่องในจาแล้วเมื่อกลับไปพอถึงประตูป่าคือเขตป่าแต่รูปก็เริ่มสาธยายไปสุดพร้อมๆกันแล้วเข้าไปอยู่ในป่าโดยการตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตาท่านเหล่านั้นรับธรรมมาวุธิอาวุธคือธรรมะในพุทธสานักแล้วก็เข้าไปในป่านั้น ปุรุกเทวดาพวากภูมเทวดาทั้งหลายในที่นั้นก็เกิดกัลยาในจิตหรือจิตที่มีความหวังดีปรารถนาดีไม่ทำอะไรเป็นการรบ ก, กวนแล้วก็ให้ความอุปการะช่วยเหลือในวิสัยของเทวดาพระทั้ง60รูปก็เรียกว่าได้สัปปายะคือได้ความสะดวกสบายในด้านต่างๆ บำเป็นเพียรไปก็บรรลุอรหัตในพันษานั้นข้อความในประสูตร์ก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอันผู้ะหลาดในประโยชน์พึงทมซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทำมาแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นการชี้ธรรมะซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติเรื่อยไป ในตอนสุดท้ายก็เป็นการสอนให้ตั้งเมตตาจิตคือแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ประสัต ท, ทั้งหลายในทิศ ท, ทั้งหลายแล้วก็สัตว์ทุกชนิดจึงใช้คำว่าสเปสตาแต่นั้นประสูนนี้จึงเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆที่เป็นหลักซึ่งควรสังเกตไว้ว่าอันผู้ฉลาดในประโยชน์ พึงทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทำมาแล้วหมายความว่าใครก็ตามที่มีความฉลาดเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็จะต้องปฏิบัติตนโดยมุ่งผลไปที่ประโยชน์และประโยชน์เหล่านั้นก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับที่ท่านในอนดีต คือท่านที่เข้าถึงความสงบหรืองับเนี่ยได้สัมผัสมาแล้วถ้าเราเดินตามท่านไปเราก็จะสัมผัสผลเช่นเดียวกับท่านซึ่งก้อนนี้เป็นการชี้ความจริงให้เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนทั้งหลายในโลกนั้นเป็นการเดินซ้ำไปในขนทางของท่านในอดีตทั้งหมดเลย ทางที่ท่านเข้าถึงความสงบในอดีตคนในยุคหลังเดินไปก็สงบได้ทางแหงเวณภยัยคุกตารางอันตรายต่างๆก็เหมือนกันคือมีคนเดินมาเยอะแยะแล้วเราก็เดินซ้ำรอยของท่านปนัญหาสำคัญว่าจะเดินซ้ำรอยใครแต่นั้นเองแต่ผลจากการเดินซ้ำรอยก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันถ้าเราเดินไปตามขั้นตอนเดียวกัน แในที่นี้ทรงสอนให้เดินไปตามขนทางที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงเสึ่งทางอันสงบได้เดินมาแล้วและได้สัมผัสมาแล้วเริ่มต้นก็ใช้คำวลีวัสโกแปลว่ากกวผู้องอาจคำา่าองอาจนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นชื่อที่เรียกท้าส ก, กะเทวราชหรือพระอินท์จึงหมายถึงว่าจิตใจที่ไม่มีความหวาดวัน่น อุปสรรคอันตรายต่างๆซึ่งก็หมายความว่าผลเท่านั้นจะต้องเกิดขึ้นมาในรูปของความองอาจความองอาจจึงเกิดมาจากเขตอย่างใดอย่างหนึง่งก็ขึ้นอยู่กับใครจิตว่าคาจะเข้าไปในสนามสอบมีความองอาจก็ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่เราจะสอบ หรือเกี่ยวข้องกับสมาคมใดก็ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนั้นก็ทำให้คนองอาจเข้าไปในทํากลางผู้มีศีลเราก็เป็นผู้มีศีลก็กอให้เกิดความองอาจแม้ในเรื่องอื่นๆก็ทานองเดืยวกันดังนั้นสกโกความองอาจจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติความดีของบุคคลทั้งหลาย เป็นการแสดงอะไรเป็นการแสดงถึงผลก่อนตามแนวขั้งการแสดงอริยสัตว์อริยสัตว์นั้นแสดงผลก่อนแสดงเหตุทีหลังตรงนี้ก็ผลคือความองอาจทำไมจึงพูดที่องอาจก่อนพระพระท่านนั้นท่านเหล่านั้นท่านกลัวท่านกลัวผีด้วยจึงเริ่มที่องอาจพอพูดที่องอาจปั๊บท่านก็มองมาเออทำยังไงถึงองอาจ จากนั้นก็กระจายเหตุที่ให้เกิดความองค์อาจออกไปโดยลําดับต่อไปก็คือเหตุซึ่งมาสรุปอยู่ที่ความองอาจไม่ขาดกลัวอย่างที่ท่านเคยขาดกลัวมาคืออุชุแปลว่าเป็นผู้ที่ซื่อส่งก็ตามแนวหลักของอุชุปฏิปันโนที่เราสวดกันในสังฆ ค, คุณนั่นเองการปฏิบัติตรงก็คือการปฏิบัติชอบ ตามทํานองของธรรมที่ท่านเรียกว่าสัมมาปฏิปทาคือหลักกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆมีอย่างไรก็ปฏิบัติตรงตามหลักตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขเหล่านั้นและเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เป็นฆาตศึกคือไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและบุคคลอื่นเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับคือมุ่งไปข้างหน้าเลย้าวรุดไปข้างหน้า ก็สุดแท้แต่ว่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นคือไปในทางตรงไม่คตไม่อ้อมไม่เลี้ยวโดยมีจุดหมายปลายทางที่ตั้งเป้าที่กำหนดหมายเอาไว้ก็คล้ายๆกับการปฏิบัติที่มุ่งตรงไปสู่มรรคผลนิพพานมันก็ต้องเดินไปตามสายของอริมัคคีองค์8ประการและโดยไม่ถอยกลับ คือถ้าถอยกลับมันก็ไปไม่ได้ทีนี้ไอความซื่อสรงที่แสดงออกนั้นวัตถิจิมก็มีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งเป็นอาการที่ปรากฏออกมาทางกายท่านพูดนี้เป็นผู้ซื่อสรงเรียบร้อยสวยงามก็แล้วแต่จะมองพระมองเห็นกันได้ยินได้ฟังกันบางครั้งมันก็ไม่พอมีลักษณะที่แสดงออกอย่างหนึ่ง แต่ความคิดจิตใจมันเป็นอีกอย่างเึ่งดังนั้นจึงเน้นไปอีกจุดหนึ่งว่าสุขุชุคือให้ซื่อสรงอย่างดีเป็นความซื่อสรงที่แท้จริงหมายความว่าคิดอย่างไงพูดอย่างนั้นพูดอย่างไงคิดอย่างนั้นไม่มีความขัดแย้งกันไม่มีลักษณะของปากปลายัยน้ำใจเชื่อดคอปากหวานค้นเปรี้ยวมือถือศากปากถือศีลต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกเป็นต้น คือให้เป็นความซื่นรงอย่างดีเพราะรับรองผลไว้เต็มที่เลยจึงต้องจัดการแก้ไขปรับปรุงในส่วนเหตุให้สมบูรณ์ความซื่นชมจึงอยู่สองชั้นคือออกมาข้างนอกเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏได้แก่ประสาทสัมผัสของบุคคลอื่นมองเห็นเป็นความชื่นชงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจใจของบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นจริง อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านแสดงว่าทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างไรก็คิดอย่างนั้นนี่ก็คือหลักของความที่เรียกว่าซื่อส่งอย่างดีประการต่อไปก็เรื่องของการปรับปรุงตัวเอง อุชุสูชุสุวะโจสุวะโจจัดสะแปลว่าผู้ว่างง่ายสอนง่าย <c oughs> คือเป็นคนที่ไม่กระดั่้าไม่ย่อยิงไม่ถือดีไม่อวดดี <c oughs> เป็นคนที่พร้อมจะยอมรับนับถือความคิดความเห็นของบุคคลอื่น <c oughs> พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น ปัหาข้อนี้จะพบว่าเป็นหลักที่ออกจเป็นอันตรายขัดขวางบุคคลทั้งหลายเอาไว้เพราะไอ้ตรงกันข้ามกับความว่าง่ายสอนง่ายนั้นก็คือความว่ายากสอนอยากซึ่งจะทำให้บุคคลมีลักษณะกระด้างกระดั่ง ท, ท่านใช้ับว่าทมพะหนังทีหวเดอ สัมภาษณ์ก็แปลว่าแปลว่าเสาคือพลักไปไหนมันไม่ไปคนที่มีลักษณะว่ายากสอนอยากก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องการให้ไปไหนก็ไม่ยอมจะไปแต่คนที่จะกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องนั้นจะต้องอาศัยสุวโจจัดสะคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายยินดีที่จะรับโอวาทของบุคคลอื่นถือท่านใช้คาว่า ยินดีที่จะรับโอวาท ด, ด้วยมือขวาเป็นจำนวนที่ให้เห็นถึงรับด้วยความเคารพคือใครจะพูดจะแสดงก็ตามก็พร้อมที่จะฟังด้วยความเคารพนั่นเป็นเหตุผลเป็นความดีแม้จะตาหนิตีเตียนเรามีหรือไม่มีก็ฟังฟังเอาไว้เรียกว่าสุวัจโจรัตสาพวกนี้จะอยู่ในที่อื่นๆเช่นพวกนาะกรรธรรมธรรมะที่ เป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตของคนก็มีธรรมะข้อนี้อยู่ได้และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือลักษณะสังคมในสมัยพุทธกาลนั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีวันณะอยู่แยะพวกวันละต่างต่างนั่นก็เป็นเหตุให้กระด้างบางทีพวกวันณะสูงบวชมาพระเทระมีวันณะต่ำก็ไม่ยอมรับฝังโอวาทคาแนะนำพร่ำสอนของ ลัลกษณะกระด้างเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะคนระดับพระนาคเกษที่มีชื่อเสียงมากคือพระนาคเกษรรนั้นท่านเรียนอภิธรรมก่อนแทนที่จะเรียนวินัยวิโด ก, ก่อนท่านเรียนอภิธรรมวิโดกมาก่อนอภิธรรมวิโดกนี่เป็นเรื่องที่ออกจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อย คือถ้าเรียนโดยไม่เรียนพระสูตรกับพระวินดยด้วยแล้วจะเกิดความกระด้างและดูหมิ่นคนอื่นคือฉันรู้าศาสนาคนเดียวคนอื่นไม่รู้คนที่จะรู้าศาสนาต้องเหมือนฉันคือต้องเรียนนิธรรมเหมือนฉันและขณะเหล่านี้จะปรากฏแก่คนทั่วไปและทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าใครก็ตามการเรียนพระไตรปิฎกจึงต้องเรียนให้หมดทั้งสาพระสูตรทั้งสามิฎก ไปเตือนั่งอ่านอยู่อภิธรรมไม่ได้เพราะอภิธ ร, รมเวลาท่านอธิบายในอัตกถาอภิธรรมเนี่ยมันก่อให้เกิดความกระด้างขึ้นมาในตัวอตัตกถาเกิดหลงตัวขึ้นมาได้ง่ายเลยแต่ถ้าเราอ่านให้ทะลุมาถึงพระสูตรพระวินัยแล้วมันจะไปลบความกระด้างในจุดนั้นออกท่านที่เคยเกี่ยวข้องกับนักอภิธรรมจะเห็นว่าแม่มาศใหญ่จังคือเก่งอยู่คนเดียวแต่นั้นเอง ร้อมทีชีหน้าใครก็ได้ที่ไม่อ่านอภิธรรมว่าไม่มีความรู้ศาสนาพระน่าเกษินเรียนอภิธรรมมาแล้วก็ส่งไปสำนักของอาจารย์ท่านไปถึงอาจารย์ท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เป็นพระอาหารหันต์แต่ก็นึกดูหมิน อ, อาจารย์นี่คงไม่เท่าไหร่ตรงนะี้หลงสัยอภิธรรมก็คงจะไม่รู้ อาจารย์บอกว่าคุณนี่คิดไม่ชอบคิดอย่างนี้ไม่เป็นความคิดที่ไม่ชอบมีความกระด้างเพราะฉะนั้นโดนลงทันตกรรมอ่ะโดนลงทันตกรรมลงโทษเพื่อกำลาภไอความกระด้างซะก่อนแล้วจึงสอนธรรมะกันทีนังดังนั้นการศึกษาธรรมะในทางศาสน า, าท่านจึงแก้ที่ตรงนี้เป็นหลักไปชือสุวโจ ให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายพร้อมที่จะรับฟังโอวาทของใครก็ตามจะ้มองเห็นการโอวาทการแนะนำการพร่ำสอนการตักเตือนของบุคคลอื่นเหมือนการบอกคุมทรัพย์ให้คนที่บอกขุมทรัพย์ให้นั้นอาจจะใช้วิธีรุนแรงทุบตีจุดกระชากลากพาไปแต่ว่าเขาทำเพื่อให้เราได้คุมทรัพย์เรอพร้อมที่จะไป ความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายสอนง่ายจึงกลายเป็นเอตตะทะยอดแห่งพระสาวกก mm hmm. ลุ่มหนึ่งฮะอย่างที่เคยบอกเรื่องเอตตะทะปาลิเรื่องภาษาวกสีท่านที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมีพระเทพ ร, รูปหนึ่งทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นผู้เท่าคือพระราธะท่านบวชตอนแก่ไอ้คนแก่บวชเนี่ยโอ๊ยปัญหาจังไงว่ดือ้อว่ายากสอนยากหายากที่สุดแต่ที่จะพูดกันรู้เรื่อง เพราันใครที่มียากแก่ถ้าไม่จำเป็นเลรักษาศีลที่บ้านมันจะบูดมีปัญหาเยอะนะเกันแต่พระราทะกลับตรงกันคําว่าง่ายนะเกินพระพุทธเจ้านำไปยกย่องในท่ำกลางสงเล่นคนว่าง่ายอุปชาสอนยังไงทำตามได้หมดเลยกลายเป็นเอตตะคะคือยอดแห่งพระสาวกผู้ว่าง่ายสอนง่าย สุวโจจสะจึงเป็นคุณธรรมที่จะรับที่จะรับความดีต่างๆคือถ้าเรายังยังมีความกระด้างอยู่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆที่ท่านจํำในทั่วๆไปก็เช่นพระปัญจวัคคีย์ตอนใหม่ๆนะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปใหม่ๆทั้งแตกระด้างนะกระด้างใช้คําว่าอาบุโสโคโดมเลยเรียกพระพุทธเจ้าจานวนคนไทยก็เด็กเรียกเด็กปากกว้างไม่มีสมมาคารวะ รู้าจ้าไม่เทศแต่เทศไม่ไหวอะคนอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องกลอมกลากันตั้งนานนะฮะจึงเทศเพราะตัวมานะมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเทศไม่ได้และแม้แต่ที่ไปทรมานท่านอรุเวลากัรสะปะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมานานมาได้เนี่ยอรุเวลาการสะปะนั้นต้องใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนนะครไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยต่อสู้กับท่านพันคนเนี่ยท่านกระด้างมาก ไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่ได้เทศกันก็สร้างให้ยอมรับสร้างแล้วสร้างอีกเขาเรียกว่านานาปฏิหาริยะการเทศของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาสีสา่้าปีทรงนี้แสดงปฏิหารมากที่สุดเลยเขาเรียกว่านานาปฏิหารเป็นพันพันปฏิหารเลยแสดงกันจนกว่าจะกำราบหัวเรือใหญ่ที่แคว้นมคธได้พอท่านยอมรับท่านก็พร้อมที่จะรับเป็นสุวโจคือว่าง่ายสอนง่าย แล้วก็ต่อไปที่จริงมันก็เป็นการพิสูจน์พิสูจน์ว่าง่ายสองง่ายจริงกรืเปล่าคือมมดุแปลว่าอ่อนโยนโมดุเป็ น, ออ น, น, โโปนผู้อ่ อ, อนโยนตแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะหมายถึงอ่ อ, อนโยนแสดงถึงพื้นอัธยาสายัยพร้อมที่จะให้เกียรติยอมรับนับถือบุคคลอื่นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนเรานั้นแท้ที่จริงแล้วนี่ ก็อยู่ในฐานะที่ควรยอมรับนับถือซึ่งกันและกันแม้แต่เราระหว่างพระกับชาวบ้านคือพระนั้นญาติโยมก็นับถือในฐานะที่มีเพศสูงกว่ามีคุณสูงกว่าเขาเรียวกว่าคุณวุฒิถหลวงพ่อหลวงปู่ก็หลายอย่างได้กันแต่ในขณะเดียวกันพระก็ต้องนับถือชาวบ้านเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในฐานะที่เป็นวั ย, ยวุฒิคือมีอายุมากกว่า แล้วก็มีฐานะคือต้องยอมรับนับถือกันนะ่ะไม่ใช่ไปคิดแต่ให้ชาวบ้านนับถือพระอย่างเดียวพระก็ต้องนับถือชาวบ้านด้วยข้อ น, นี้จะพบว่าเป็นปฏิปทาเป็นจริยาวัดของพระพุทธเจ้าของพระหานทั้งหลายคือให้เกียรติจุกจ้องเขาเป็นการสร้างกิริยาปฏิกิริยาบรรดานี่ไปพบพระรูปหนึ่งอะไรแกก็เก่งทุกอย่างพูดเก่งคม ก็เตือนแกบอกว่าคุณรักษาเนืกรักษาตัวให้ดีนะจะเป็นกำลังสำคัญของศาสนาแต่ก็ติงแก บ, บางอย่างก็เวลาแกพูดเนี่ยบางทีแกชี้หน้าคนแก่แก็คนแ ก, แก่รุ่นพ่อไปชี้หน้าก็ได้ไงมันเป็นคนที่เราจะต้องให้ความเคารพและในที่ประชุมเช่นนั้นก็ต้องเคารพที่ประชุมเขาอ่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ที่จะต้องแก้ไขเพราะในความอ่อนโยน ที่บุคคลแสดงออกเนี่ยมันก็ให้เกิดความเคารพนับถือสําหรับผู้น้อยแล้วก็ให้เกิดความเมตตากรุณาสําหรับผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่ไปไปเห็นข้าวท่านก็เกิดเมตตากรุณาผู้น้อยไปเห็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะอย่างนั้นอ่อนโยนอย่างนั้นล้มุญละมายอย่างนั้นก็เคารพนับถือท่านเหล่านั้นต่อไปก็อีกมันก็หนุนกันอีกคือหมายความมันก็เริ่มมาจากว่าง่ายสอนง่ายเนี่ย ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็เป็นผู้อ่อนโยนอ่อนโยนจะต้องอ่อนได้จริงๆไม่ใช่ว่าอ่อนในลักษณะเสแสร้สงมัยากหรือว่าเวลามีอารมณ์อะไรไม่ไม่มากระทบเราก็อ่อนโยนได้แต่พออารมณ์มากระทบมันก็ไม่อ่อนเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะด้วยความมีธรรมะนั้มันก็พิสูจน์กันตอนมีอารมณ์มากระทบมันเองในยามปกติทั่วไปมันก็พิสูจน์ยืนยันอะไรไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือมีจริงหรือไม่ ต่อไปก็เป็นอนัตติมานีิคือไม่ดูหมิ่นคนอื่นท่านจะเห็นว่ามันก็มันก็หนุนกันทั้งสามข้อเริ่มมาจากอ่อนโยนเริ่มมาจากว่า ง, ง่ายสอนง่ายซึ่งเป็นการลดมานะต้องพิสูจน์ว่าลดได้จริงหรือเปล่าก็คืออาการที่แสดงออกมาจะต้องเป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนก็ในด้านใจบางทีมันก็ไปดูหมิ่นคนอื่นอีกก็ต้องลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ดูหมิ่นคนอื่น ในการดูหมิ่นนั้นพวกกิเลส ช, ชุดนี้จึงลดมานะทั้งหมดเราสังเกต ด, ดูว่าลดมานะทั้งหมดได้การไม่ดูหมิ่นบุคคลอื่นนั้นก็คือการลดมานะลงไปอยู่ในอย่างน้อยที่สุดคือจุดที่ยอมรับนับถือฐานะของกันและกันคนแต่และคนนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีควรแก่การยอมรับนับถือด้วยกันทั้งนั้นซึ่งบางท่านนึ่ง ที่เขาเล่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโอ้ยท่านซึ้งขึ้นไปกว่านั้นเนท่านเคารพแม้แต่สุนัขนะท่านตากทีวรไว้จีวรมันหล่นลงมาแล้วหมาไปนอนท่านนั่งเฝ้าจะเอาจีวรแล้วหมามันนอนอยู่ท่านไม่กล้าไล่นอนนั่งเฝ้าอยู่นั้นน่ะเขาถามว่าสมเด็จทำไมไม่ไม่ ไ, มไปล่ะนี่เขานอนอยู่ จีวร่านก็นอนทับจีวรยาไม่กล้าปลุกเขาแล้วถามมาทำไมท่านท่านไม่ปลุกท่านบอกว่าไม่แน่นะอาจเป็นพระโพธิสัตว์ดีชาติมาเกิดก็ได้เดีวเราไปทำอย่างนั้นก็เป็นการดูหมิ่นเขาอ่ะนี่คือคือท่านเป็นคนเป็นคนที่มีวิธีสอนแล้วก็ท่านพื้นอัตยาสายท่านก็เป็นคนระมียทําใหม่คือให้เกียรติจุกจ้องคนอื่น เออเหตุที่ให้เกิดมานะหรือเหตุที่ให้เกิดดูหมิ่นคนอื่นนั้นมันมีเยอะนะฮะคนเราถ้าลองว่าจะดูหมิ่นคนอื่นอาจจะอาศัยรูปร่างอาศัยความรู้อาศัยทรัพย์อาศัยสกุลอาศัยฐานะทางสังคมอาศัยพ่อเป็นนายพลหรือว่าอะไรแล้วแต่ทุกคนมันมีเยอะเรื่องที่จะเอามาดูหมิ่นคนอื่นมีเงื่อนไขมีอะไรมากมายไกลกองแต่ถ้า คนลดลงมาก็เริ่มมาว่าง่ายสอนง่ายอ่อนโยนแล้วก็ไม่ดูหมิ่นคนอื่นระจะทำให้พื้นอัธยาศัยเนี่ยมีความสงบ ม, มีความประนีตจึงขึ้นปัญหาเรื่องมานะจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่วิธีการในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเริ่มไอ้กำราบไอ้ตัวเนี้ยตัวมานะเนี่ยตั้งแต่ต้นมาแนละ้ว ในเงื่อนไขทางวินัยพอเริ่มบวชเจะพบว่าเอาอายุกันเลยครั้งนี้จะเอาอยัางอื่นมาว่ากันไม่ได้เอาอายุก่อนแม้แต่บวชคู่กันก็เอาคนข้างขวาให้เป็นผู้ใหญ่กว่ า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ที่จริงมันก็สวดญติจบพร้อมกันนะแต่ตอนถามอะไรก็ถามคนที่ขวามือก่อนขวามือท่านอุปชานะ แล้วก็ให้คนนั่งใช้มือนี่แสดงความเคารพนั่งถือเอื้อเฟือต่อคนขวามือแอ้คนขวามือก็แสดงความเมตตาหนุเคราะห์ต่อคนใช้มืออย่าการลดมานะเพราั้นปัญหาวิ น, นัยในทางศาสน า, าบางอย่างนั้นต้องการที่จะลดมานะของคนทั้งหลายซึ่งก็มีมากเหลือเกินโดยเฉพาะพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์ที่เข้ามาบวชเนี่ยมาพรุงพรังมาทีเดียวเลยเป็นภูเขาลอกามา ก็ต้องมีวิธีการลดมานะของท่านและพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงชุดหนึ่งชุดเจ็ดรูปที่เข้ามาบวชมีพระอานนท์พระอนุรุตเนี่ยพวกนี้ก็มาณะจัดเพราะนั้นเวลาตอนบวชท่านท่านจึงใช้วิธีลดมานะของท่านหรือให้ให้คนใช้บวชเสก่อนให้คนใช้บวชแล้วท่านก็กราบคนใช้แล้วก็ปฏิบัติวัตรศัคนใช้แล้วท่านก็บวชทีละ แล้วก็นับถือไอ้คนช้ยเนี่ยเป็นพระเถระมาตลอดทางชีวิตเลยตลอดชีวิตแต่ตอนหลังในต่างองค์ต่างก็เป็นพระหันกันไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนแรกตอนแรกก็คือต้องการลดมานะของท่านเองเพื่อให้อคความกระด้างต่างๆที่มีอยู่นับเบาลงไปลักษณะของกิเลสประเภทนี้มันก็เรียกชื่อหลายอย่างไงพวกมานะเนี่ยเรียกมานะตรงๆตัวคือฐานใหญ่ ลดยากนะฮะพระอาหารหันต์นั่นเองรถได้กิเลสแรงมากเลยกรจะจายตัวเองออกไปใน9้าลักษณะได้กันอำนาะตัวเนี้ยอนาะความถือตัวถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามเราเป็นคนรวยเ ร, เราเป็นคนรูปถวยเราเป็นคนมีเงินมากเราพอ่อเราใหญ่แล้วเราะว่าดึงใครต่อใครมายุ่งยุ่งเพื่อให้เราได้ใหญ่ อย่างบางทีอย่างพระวัดวรนีอ่ออกจากวัดไปมาดใหญ่โตเงวัดหลวงวัดเจ้านายมาดใหญ่ลเลยกันแต่ว่าคนบางทีไปคิดเอาเองไปเข้าใจเอาเองหรือมองให้มันเป็นภูเขาโลกาลไปเองก็ก็มีนะแต่ว่าเกิดจากภายในเองก็มีออพอออกมาถึงนี่สมมติว่าฐานะเรา คือเป็นผู้สูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาเสมอเขามันก็มีสามชุดสูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาเสมอเขาไอคนที่สูงกว่าเขาเนี่ยมันก็จะกระจายความคิดออกไปว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้สูงกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาหรือเร็วกว่าเขาผู้เสมอเขาก็อีกแหละมันก็จะกระจายตัวเองว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาเราเป็นผู้เสมอเขาเรวกว่าเขาไอพวกที่ต่ำกว่าเขามันก็จะเกิดมาหน้ขึ้นมาว่าเราต่ำเอ่อเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราเรวกว่าเขา ทีนี้เนื่องจากแนวความคิดมันเกิดกระจายอย่างเงี้ยมานะอย่างหนึ่งที่ที่ไปขึ้นไปสูงในแต่ละจุดมันก็กลายเป็นอติมานะคือไปดูหมิ่นคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นในลักษณะนั้นๆน่ยอาจจะดูหมิ่นในแต่ละจุดที่ตัวเองคิดว่าเด่นกว่าซึ่งว่ากันตามหลักของความจริงและคนเราไม่ได้เก่งกว่าใครไปทุกจุด เราอาจจะเก่งก่าเขาในจุดนี้แต่คนอื่นก็เก่งก ว, กว่าเราอีกหลายหลายจุดก็ยอมรับนัทธีกันได้อีกอย่างหนึ่งก็มีลักษณะเขาเรียกว่าตีเสมอตีเส ม, อ, สมอกับคนอื่นเขาตีเสมอกันในจุดนั้นๆก็ตั้งตั้งมากมายแม้แต่แต่อะไรนะฮะเราเราจะเห็นว่าเรงขับรถไปพอเพื่อนแซงชักคืดมันก็เกิดมานะเกิดมานะเพื่อจะเอาให้แซงเขาให้ได้เอาชนะให้ได้ นี่ก็คือแนวเข้ามานะเป็นเป็นแรงผักดันเข้ามานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ออกมาในรูปของเขาเรียกโอมานะหรืออวมานะคือดูหมินตัวเองเหยียบย่ําตัวเองทับถมตัวเองเราไม่รู้ไม่เป็นไม่ได้ไม่เข้าใจเขามันเก่งเราไม่เก่งอันนี้ก็เกิดดูหมินตัวเองถึงบางบางทีมันก็ฝังลึกมาในจิตสันดานเลยวังมาในสายเลือดเลยถ้าเราดูให้เห็นชัด้เราดูที่อินเดียในชัดมาก พวกอาิสูตรหรือพวกวันณสูตรพวกจันทานนะฮะถึงมีอยู่ประมาณ60ล้านทุกวันทั้งๆที่มหาตมาคัญทีเปลี่ยนไปหาดิ จ, จันเ์เร โ, โอรสของพระเจ้าแล้วแต่ในความรู้สึกนักคิดกองคนเหล่านี้มันเป็นสร้างไอ้เงื่อนไขเนี่ยเป็นอวมานะหรือโอมาณะเนี่ยดูหมินตัวเองซ้ําเติมตัวเองเหยียบย่าตัวเองไม่ไม่ยอมที่จะพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยบันพบุรุตั้งไม่รู้สักกี่ชั่ว โ, โครตรเป็นมาอย่างไงพวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหะฝังอยู่ในสายเลือด กิเลสสายนี้จึงอย่างรากลึกเป็นพวกสังโยช น, นจะเห็นว่ามานะนี่มันอยู่ตัวสังโยชนที่ไรอยู่ตัวที่เจ็ดนะฮะเจ็ดด <7, 8. S 1> เอ่อตัวที่แปดมานะตัวที่แปดสังโยชนตัวที่แปดสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรับพัตปรามาตการมราคะปฏิฆะรูปราคะรูปราคะมานะอุตจาวิชาเพราะอนาคามีละไม่ได้ราขาดไม่ได้นะฮะ ต้องพระอราหันตานั้นจึงละได้ลักษณะของอติมานะก็คือสําคัญว่าเรานั้นเลิศ ก, กว่าเขาไปเราอาจจะต่ากว่าเขาแต่เราคิดว่าเราเก่งกว่าเขาเราเลิศ ก, กว่าเขาเพราะงั้นดูมินคนอื่นได้ตลอดเลยดูมินได้ทุรายการนี่ก็เป็นคําสอนในระดับที่ลดมานะสักโกเป็นผู้องค์อาจอุชุเป็นผู้ซื่อทรงสูซุชื่อทรงอย่างดี สุวัจจัตสะเป็นผู้วาง่ายสอน ง, ง่ายโมดุอ่อนโยนอนติมานิไม่ดูหมิน่นผู้อื่นสันตุสโกคือเป็นผู้ยินดีด้วยของอันมีอยู่แล้วก็ได้แก่เป็นผู้ที่สันโดดนั่นเองสันโดดก็คือการปรับความคิดของตัวเองให้ยินดีตามกำลังของตัวเองในชั้นของการสแสวงหา อย่าลืมว่าสันโดษคือหลักของสมาชีวะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบท่านมีทุนรอนมีเงินมีสติปัญญามากเท่าไรลงมาเถอะรวยให้มีเงินล้นคว้าก็ได้ไม่เสียสันโดษอแต่อย่าไปช่อกงเขาก็แล้วกันเรื่องสันโดษเป็นเรื่องพัฒนานะฮะสันตีปรมังทนังเป็นบรมรัพ์เลยแต่นี่ก็ เป็นเรื่องที่ออกจะสับสนพอสมควรในวงการศึกษาคือเรามองในแง่ที่ว่าประเทศไทยที่ด้อยพัฒนาเพราะคนไม่สันโดษที่จริงมัน เ, เพราะคนสันโดษกันมากมันเพราะไม่สันโดษกันจึงไม่พัฒนาไอ้คนที่มีเรี่ยวแรงมากก็ไม่ยอมใช้เรี่ยวแรงขี้เกียจไม่ยอมทํางานไม่ยินดีในกําลังของตัวเองบางทีไปเกาะกินคนอื่นสร้างความเดือดร้อน แล้วก็ยินดีในสิ่งที่ตัวได้มาเรียกว่ายถ า, าลาภสันโดดเราได้มาอย่างไรเราก็ยินดีท่านั้นอาหารบนโต๊ะมีอะไร ก, ก็กินท่านั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็กินสบายสบายไปเค็มก็ดีเหมือนกันหวานก็ดีเหมือนกันก็มองไม่ดีๆไปอ่ะขนาดบางทีหลงตาไปกินน้ําปลาตั้งครึ่งแก้วก็ยั ง, งดีเหมือนกันนะไม่ได้กินเค็มมานานยกินน้ําปลา ไ, ได้ก็ทําใจมันอยู่ที่ทําใจ ถ้าเราทำใจได้เราก็สบายก็ไม่เดือดร้อนคือคือสรุปว่าบางทีเราก็มองในแง่ที่มันมันยังมียากกว่านี้เราได้ขนาดนี้ก็ดีนะ้หรือว่าในในจุดนั้นเราก็มองในแง่ที่ดีเหมือนกันอย่างที่นี่เคชาวบ้านนะฮะชาวบ้านธรรมดาก็ก็เห็นเขาเขาดื่มเหล้ากันไปถึงก็ชีเลย นนก็นึกว่าเล่าเห็นสีคล้ายแม่คงต้องเจอน้ำปลาข้าว น, นี่ก็เอามาถึงก็รินใส่แก้วข้าวก็ว่าก็าไปเต็มที่เลยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอะคือมันมันเค็มไปแล้วแกก็บอกว่ากันที่ อ, อ, อะไรนะ คือไม่ได้กินเค็มมานานแล้วก็เรียกว่าสบายใจก็ได้กินเค็มถึงถึงแม้จะเป็นการปรับในความคิดในลักษณะคล้ายๆกับตกกระไดพลอยโจรก็ตามแต่ก็สงบใจได้ก็ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนอะไรอีกนหนึ่งก็เป็นการเรียกว่าสรุปสันโดษ คืยินดีตามเหมาะตามควรตามฐานะของเราไม่มีอะไรให้เกินฐานะเป็นรูปแบบของการดํารงชีวิตของคนทั่วไปก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทำสําหรับพระหรือชาวบ้านเป็นธรรมะที่ทั่วไปอย่างที่ทรงแสดงมาสันตุถีประบังตนังสันโดดเป็นบรมรัพสันตุสโกจะสุพระโรจะสุพระโรนั้นก็คือผู้เลี้ยงง่ายเป็นง่ายอยู่ง่าย มีลักษณะที่โปร่งเบาสบายไม่เดือดร้อนอะไรไม่ทําตัวเป็นคนเลี้ยงยากจึงเป็นหลักคําสอนประการหนึ่งใน8ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือคําสอนอันใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนั้นไม่ใช่ธรร ม, ไ ม, มไม่ใช่วิ น, นัยไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าเพรมื่อคําสอนใดก็ตามที่สอนคนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นผู้เลี้ยงยากก็กลายเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า คือเป็นผู้กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายโปร่งเบาไม่เดือดร้อนอะไรซึ่งมันก็เหมาะสมรัทั้งชาวบ้านและก็ชาววัดอะชาวบ้านเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลงทุนลงแรงขับรถไปกินกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดถึงมาบตาพุทธเสียน้ำมันเยอะแยะจะมีอะไรก็กินกินไปก็อย่างพระเราในยิ่งจำเป็นใหญ่เลย พระพุทจาจึงใช้คำอย่าอีกคำหนึ่งเรียกวยาปนามตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปกินมาหนักหนักท้องอิบิบะเพราะร่างกายมันอยู่ได้อะไรๆรมันก็เท่านั้นเนี่ยนี่ก็คือคือหลักเขาเรียกว่าสุพะโรไม่ใช่วุ่นวายอะไรนะมายังมีเรียกว่าสนิมใจหลายปีคือไปไปสารในที่แห่งหนึ่งผู้ใหญ่นะสารก็ชงกาแฟมา แล้วมันเปิดไม่หวานนะท่านตะโกนบอกเสียงดังเลยไม่หวานรสะดุ้งขนะนลุกเลยเอาไปบางที่บางแข่งนะแไป เ, เรียกโซดงโซดาบางทีก็ใครบ่าว่าได้บ่าว่าเลยมันดัดจริตอยู่ที่วัดนะ้นําก็ไม่ค่อยจะมีกินนะมันเรียกโซดาที่บ้านเขา ม, ม, มันวุ่นวายะฮะเป็นการทําตัวเองอนะวุ่นวายเดือดร้อนเพราะในหลักของสุภโรจึงใช้ได้ทั้งชาวบ้านชาววัด นีอะไรก็กินกันไปอย่างเป็นพ่อบ้านพัญญาทำอาหารอะไรมาเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็กินกินไปสบายสบายก็เท่านั้นเองอ่ะแต่ยิ่งเป็นพระยิ่งมีความจําเป็นได้เพราะถ้าเราใส่ไปอยากกินนนกินนี้แล้วในที่สุดมันก็วุ่นเราพยายามทําใจฝึกใจในเรื่องนี้ให้เป็นง่ายอยู่ง่ายได้จากจุดนี้แล้วท่านจะเห็นว่าไอ้คำสอนในลักษณะที่พระต้องกินมังสวิรัตเนี่ยจึงขัดแย้งคําสอนพระพุทธเจา้า เพราะถ้ามังสาวิรัติแลกินยากนะฮะอยู่ยากเลี้ยงยากไปไหนก็ต้องยกครอ บ, บ, บครัวไปทํามังสาวิรัตกินกันเนะ่ยก็ไม่มีใครให้ทําอาหารให้กินมานี่เคยไปโดยไปด้วยตัวเองนานหลายปีแล้วคันติปาโอนี่ไปอยู่ออสเตรเลียแล้ตอนนั้นคันติปารุโอนี่รู้สึกปีหนึ่งแกจะมังสาวิรัตเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยมันจะขึ้นนิพพานองนตอนนั้นเนะนี่ยได้นิพพานอย่ตอนนั้นเหมือนพุทธสมาคมปีนึงมังสาวิรัตทีเราคุยโม่กันจังเนะี่ย ใคเป็สมาชิกผู้สมาคมเมืม่อวานวิสาขาดนี่คเงเจอมังสวิรัติกันเ อ, อ่อเดือดฉาญกันในที่แห่งหนึ่งไงแกเกิดไม่ยอมฉันมันไม่มีอาหารมังสวิรัตไม่ยอมฉันขึ้นมาโยมโกบุญนลยจะเอาใจพระรังด้วยแล้วคนไทยเหอ่อพระรังอยู่แล้วพระพระรังจะได้บุญจะได้นิพพานกันนั้นเลยก็วิ่งพลาดเลยหมดเลยจะตามอาหารมังสวิรัตแม่ครัวแกก็ไม่เป็นนะไม่รู้เรื่องในเสียงจะยินเสียงซุบซิบซุบ ซ, บ ซ, บซิบกันอยู่ข้างใน มันมันพูดไปพูดมามันมันเรื่องมันยุ่งอะมันหาทางไม่ออกอะแม่ครัวแกคงจะปากจัดไปหน่อยแกบอกเฮ้ยแม่แดกก็อย่าแดกกูทําให้เป็นเนื้ออาลัยมานี่เสียหลังมาตั้งวันนั้นเองไม่งั้นไม่บุนในเรื่องเงี้ไปถึไงโยมเกิดบอกไม่แดกก็อย่าแดกนะเสร็จอีกเอ้ยนี่มันเป็นเป็นอนุสติที่เตือนใจมาตั้งแต่นั้นนะฮะไ อ, เอ้เรื่องๆพอมังสาวิรัตรมานึกถึงประโยคนี้ทุกทีเลยพอใครพูดเรื่องมังสาวิรัติ มันวุ่นวายมันสร้างความวุ่นวายเพราะเราไปบินธบาตเนี่ยฮะพโยมก็มีอะไรก็ก็ให้อ่ะเขาก็คือว่าให้ตามสาติกำมังเขาก็ามีอะไรเขก็ให้เรามีอะไร เ, ะเราก็รับท่านั้นเนี่ยท่าที่เขาให้นะไม่ใช่พอโยมตักบาทมันอย่างนี้อาตมาบางสะรวรัดนะอันนี้ปราละอัตมาไม่ฉันอย่างนี้ก็จานครอบหัวเฉยเลยต้องตักบาทอันเนี้ย กสุพระโรเป็นผู้วางง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่อย่างเบาๆอยู่เบาๆสบายบางทีชาวบ้านเนี่ยฮะเขาไปเดือดร้อนเองแต่นสมมติว่ามาไปต่างจังหวัดนุญาตรวมต้องไปจัดอาหารในตลาดเพราะโ่โยมวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วอาหารในตลาดในที่กรุงเทพเยอะไปก็มาอย่างนี้ก็ต้องฉานอาหารพื้นเมืองอ่ะที่โยมกินยังไงก็พระก็ต้องกินอย่างนั้นก็ทําให้เราไปไหนก็ได้ฮะ อยู่ที่ไหนก็ได้ปลาเคม็มตัวเดียวก็กินมาได้ไม่มีอะไรอบพลิกมาตามกับเกรือก็กินมาได้มันอยู่ได้เหมือนกันไม่มีใครตายหรอกพอเลี้ยงชีวิตไปได้สุเประโรคือความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยจึงถือหลักอยู่ง่ายนะฮะอยู่ง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายก็อยู่สะดวกสะดวกสบายก็ก็หลัก กี่ข้อมาแล้วนะสักโกองอาจอุซุชื่อทรงสุซุชื่อทรงอย่างดีสุวโจจัดสวาง่ายสอนง่ายมดุอ่อนโยนอนาถิมาน้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นสันตุสโกยินดีด้วยของอันมีอยู่แล้วด้วยสุปรโรจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายสอนง่ายด้วยอปากัโปโผอปากัปโผนี่แ <laughs> ปลว่าอย่างไรฮะแปลว่า ในในที่บางแห่งนะฮะในที่บางแห่งแต่ว่าเฉพาะที่นี้ก็แปลอกเรียงนะในที่บางแห่งนั้นเป็นคําด่าแปลว่าคนไม่รู้จกปุตจะเกิดจึงมีคนเคยด่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้ารับในแง่ของอปาคโภโพคือพระองค์ไม่ต้องเกิดในคันรับก็แต่ว่าในที่นี้แปลว่าไม่เห็นแกนอนนะฮะอปาคับพระก็คือข้องอนะ่ะ ขปะคือห้องอปะคโภก็คือปราจะจากข้องได้แก่ไม่เข้านอนบ่อยๆนะเองแกนอนนั่นเองเองแกนอนมากนักนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นอยู่ในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นท่านจะเห็นว่าเอเดียแรงจริงๆเราไม่ได้ใช้ไปมากเป็นงานในลักษณะเบๆเพราะงั้นพระกรรมฐานจึงฉันหนนเดียวได้ งานนั้นไม่ได้หนักไม่ได้เหมือนกับพระปริยัติพระทำงานด้านปริยัติตะขืนสารหนุนเดียวแล้วก็พังกว่าดีท่านจึงแนะนำให้พยายามสํารวมระวังในการบริโภคผัตาหารคือไม่มากเกินไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นอนมากนะเพื่อเพื่อไม่ต้องเข้าห้องบ่อยๆคือคือนอนนั่นเองเพื่อง่ายว่าแล้วก็ต่อไปก็คือ เรียกว่ากุเลสุอนานุกิโทไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันในสกุลทั้งหลายนี่ส่วนมากจะเน้นไปในการปฏิบัติของพระหรือพระเราถ้าคลุกคลีกับสกุลต่างๆมากไปบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนั้นอะไรมีมีผู้ใหญ่ค น, นเป็นตอนนั้นคือดพบแก่เนี่ยแกึกไปแล้วแกไม่โยงประทักแยะ คือวันนั่นี่เดือนนั่นนี่แกไม่เคยฉันเพลนในวัดเลยไปเยี่ยมโยมวันที่หนึ่งเขเยี่ยมโยมบ้านนั้นเดือนสองเยี่ยมโยมบ้านนั้นก็หมุนนะโยมสาสิบคนก็เดือนหนึ่งก็ไปเยี่ยมแค่ครั้งหนึ่งไปฉันเพลนีนบ้านโยมก็ชีวิตในที่สุดมันก็วุ่นวายกลายเป็นภาระรากลายเป็นผูกพันแล้วต่อมาท่านก็ศึกไปชีวิตของพระนั้นจะต้องเป็นชีวิตในลักษณะที่ไม่ที่ไม่ไปเกี่ยวข้องผูกพันอะไรกับสกุลทั้งหลาย เพราะถ้าทำเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องวิ่งข้าววิ่งออกในบ้านโน้นบ้านนี้หาความสงบไปได้หรือแม้แต่ว่าการปฏิบัติในรูปของชาวบ้านเองก็เหมือนกันถ้าตั้งหลายจะพบว่าบางคนนั้นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยตอนเช้าแต่งชุดขาวตอนเย็นแต่งชุดดำไปงานศพโนท น, น ง, งานศพนี่ก็วิ่งบุญกันเนี่ยปาราต่างๆภายในสังคมของบ้านของเมืองเราทาให้ มันมีโยงใหยเกี่ยวข้องกันรุ่นวายไปหมดได้จนถึงกับได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งวันก่อนท่านท่านพูดแบบเศรษฐีนะ่ะท่านบอกเอ้มันน่าจะมีเฮลิคอปเตอร์นะก็ถามว่าทําอะไรท่านบอกไปเผาศพมีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจากสนามหลวงไปเผาศพในว่าต่างๆนี่ก็คืออะไรคือความเกี่ยวข้องบุกพันในตระกูลนนตระกูลนี้มากเกินไป เราทำให้ไม่มีอิสระแก่ตัวเองเพราะจุดมุ่งหมายอย่าลืมว่าเป็นจุดมุ่งหมายต้องการให้เป็นการประพฤติที่เบาเบากายเ บ, บาจิตดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นไเป็นสรรหลัุกัวุติประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิตไม่ยึดไม่ถือไม่เอาจริงเอาจางังในเรื่องอะไรมากเกินไป ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ของเราถ้ามันมากแล้วมันพะรุงพะรังอะ่ะเหมือนกับคนจะไปไหนสักทีคือบางคนนี่เอาของไปตังเลยเนะยมีอะไรบางบางทีพวกพราดเราเองเหมือนกันนะเตรียมตัวไปไหนเอาของกินเอากาแฟเอาขนมปังเนะอ้ยไปแบกขี้ไปด้วยไปไวารนะเสียเวลาตายเลยไปหาข้างหน้า ม, มีอะไรวุ่นวายในะชีวิต มันพระรุงพระลังอ่ะเอาอะไรสมมติจะไปนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยมีของไว้เต็มนม่หมดเลยก็นี่ก็ไม่เบาเดียนสันรหุ ก, กัตุติท่านวันก่อนนี้ไปไปคุยกับท่านอาจารย์เทศโดยพูดกันพูดกันเรื่องเนี้ยพูดกันหลายเรื่องแหละก็มาถึงเรื่องเรื่องของมังสะวิรัตอาจารย์เทศท่านไม่ท่านไม่พูดด้วยตัวของท่านเองท่านเล่าถึงอาจารย์มั่นท่านพูด มีพระองค์หนึ่งท่านเกิดมันขึ้นมาเรื่องมังสวิรัตก็ก็คล้ายๆกับไ อ, อ, อ, อ้มักผลอะไรจะสัมพันธ์เนี่ยกับมังสวิรัตทําไมมังสวิรัตก็ไม่บรรลุมักผลได้ต้องการบรรลุมักผลก็ต้องมังสวิรัตอะไนี่แล้วว่าเกิดมานะขึ้นกิเลสประเภทนี้อย่างที่เคยบอกนะครว่ามันระมัดระวังไม่ดีคล้ายๆกับกดลูกปุ่ง คือเรากดตรงหนึ่งมันแคบตรงหนึ่งเองแต่มันจะไปโปลงอีกอีกแข่งนงบางทีมันปลงมากกว่าที่เรากดอีกกิเลส ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นฮะเราอาจจะจะรู้สึกว่าเราลดตรงนี้แต่อาจจะไปเพิ่มอีกแข่งหนึ่งเหมือนเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นสมมติเราเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่รั้งแรกมันจะเกิดภูมิใจก่อนว่าเราเลิกได้พอเลิกได้ไปหลายวันแล้วเราไปเทียบเคียงเรากับคนอื่นเห้เราเก่งกว่าคนนั้นนเราเลิกได้เขาเลิกไม่ได้ พ่านัก้านักข้าวเนวี่ยนี่ไม่ได้เรื่องสูบุรีอติมานะเกิดนะอติมานะเกิดไปดูมีนขเขาอะพะลงไอ้กิเลส ท, ที่ละไปนั้นนั้นเสียเสียตังค์นั่นเองไอ้บุรีเสียเสียตังค์เสียสุขภาพนิดหน่อยแต่เพิ่มปริมาณกิเลสขึ้นอีกเยอะแยะจากการที่เราไม่สูบุรีนะแต่เราเพิ่มกิเลสเราลดเรื่องจค่าบุหรีได้แต่เราก็ไปเพิ่มกิเลสในนั่นจิตใจมันกลายเป็นมานะเป็นอติมานะขึ้นมา บางทีนี่เอาเป็นเอาตายกันเลยนะในในประเทศพามา่าเนี่ยเรื่องขำในประเทศพามา่านี่ยขำที่สุดเลยไม่น่าเลยนะเรื่องหมากอย่างเดียวเองะแตกเป็นีิกายเลยพระกลุ่มหนึ่งพระฉันหมากไม่ได้กลุ่มหนึ่งว่าฉันได้ในสุดก็เกิดต่อสู้เกิดทุ่มเทียงเกิดทะเลาะแล้วก็แตกเป็นีิกายกันเนระื่องหมากนิดเดียวนั่นเองแล้วก็ไอเรื่องนี้ก็ก็เหมือนกันท่านอาจารย์เทศท่านล่าท่านล่า ว, ว่าอาจารย์มั่น องค์นี้พอไปหาอาจารย์มั่นท่านก็ไปได้วยมาณะอย่างนั้นอาจารย์มั่นท่านบอกว่าพระอาหารหันต์ท่านไม่พูดเรื่องขี้หรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องปัใจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิตท่านั้นเองถ้าหากว่าเราเอาไอ้เรื่องเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันมันก็โยงมาเป็นแถวนะฮะคือจากเนี่ยกลายเป็นเป็นเลี้ยงยากอยู่ยากมาเรื่อยแล้วก็ไม่เบากายเบาจิต มันจะเพิ่มความหนักให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็กลายเป็นพรุงผารังแต่เทียบเคียงกับคนนั้นเดี่ยวมองคนนี้มองซ้ายมองขวาวุ่นวายนะหาความสงบไม่ได้แล้วก็ไม่เบาไม่เบากายไม่เบาจิตก็ทํำยังไงจึงจะเบากายเบาจิตได้มันก็ต้องอาศัยการพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องราวต่างๆถ้าไม่จําเป็นจริงๆเออย่าไปดึงมากลุ่มมาเร่าร้อนมาเดือดร้อนอะไรมากเกินไป ในช like ั้นกสิทิตเรานั้นแน่นอนว่าเรื่องบางเรื่องก็จำเป็นจะต้องยึดต้องถือแต่บางเรื่องถ้าไม่จำเป็นก็ต้องปล่อยวางได้แล้วก็เพียรพยายามปล่อยวางไปเรื่อยจนกลายเป็นเบากายเบาจิตไม่ยึดถืออะไรท่านอุปชัยยะข้าราชการนั้นท่านเตือนนะท่านเตือนมาตั้งตั้งแต่บวชไปใหม่อ่คือท่านเป็นคนเบากายเบาจิตไม่ว่าอะไรดีทั้งนั้นไดีทั้งนั้นใครจะว่าอะไรท่านก็ไปเดือดร้อน เตีไปคําคือตอนก็ขอท่านเป็นเจ้าคุณนะฮท่านเขาขอเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงเวลานั่นไอตัวผู้ใหญ่ซึ่งไม่ชอบท่านเนี่ยนเะพอท่านไม่เข้าหาใครไม่ไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปประจบไปแจงใครก็บอกว่าตกไปคำนะฮะก็ก็ตั้งชื่อว่าพระโพธาพิรามุนีเป็นตําแหน่งราชาคณะผู้ใหญ่ท่านก็คิดเออมันตกไปคำนะะตกคําว่าครูตกาา ล, ตลงแล้วลดชั้น คือก็ขอเป็นเจ้าคุณแล้วเวลาตั้งออกมาเป็นพระครูเป็นพระครูโพธาปิรามณีไม่ท่านไม่เดืดอดร้อนอะไรสบายสบา ย, าบายตั้งไปตั้งกันไปได้ว่าไรเป็นคนเบามากเลยประพฤติเบามากเลยถึงเวลาลูกศิษย์ลูกหาบวชท่านก็สอนเรื่องให้เบากายเบาจิตอย่าไปอย่าไปแบกอะไรไว้ใครดา่าใครว่าอะไรท่านเฉยไม่เดือดรอนก็ทําให้ เห็นว่าท่านท่านก็พยายามที่จะเดินตามหลักแล้วเนี่ยหลักเหล่านี้ที่จริงเราเอามาสวดนะฮะเป็นบทสวดทางภาคใต้ตลอดจากประจวบลงไปในพระสวดเป็นประจําวันเป็นอนุสติเตือนใจสอนจดสอนใจตัวเองไปเรื่อยจะคุณธรรมรดมเส้นอุตมะเถระเป็นคนแปลแต่แปลไม่ตลอดนะครแปลเฉพาะสําหรับเป็นบทสวดเพื่อให้ได้ปฏิบปทาได้แนวในการดําเนินชีวิต ต่อไปก็คือสันุกษฐอภิกิจโจคือมีกิจการมีกิจการน้อยนะฮะมีกิจการน้อยมีงานน้อยไม่ยุ่งอะ่ะทีนี้ไองานน้อยเนี่ยมันงานน้อยงานมากมันก็ไม่แน่บางทีงานมากแต่ว่าเราก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรมันถึงเวลาก็ทําทําไปนะอย่างสมมติว่าเรายัางย่งมีหน้าที่ไปพูดไปแสดงอะไรเนี่ย ก็รับว่าไปแสดงแล้วก็เท่านั้นน่ะคือคือไม่เอามาปรุงว่าต้องวางแผนต้องคิดอย่างนั้นต้องวางแนวอย่างนั้นไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วไปถึงก็พูดก็พูดถามว่าพูดเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องนั้นเราก็พูดอะไรโดยไม่ต้องไปแบกบางวงนี่ซีเรียสเลย <laughs> นั่งวางแผนต้องพูดอย่างนั้นต้องเอาอย่างงั้นอย่างงั้นไม่ต้องไปทํามันยุ่งเปล่าปวดหัวไปพูดมันตอนขึ้นธรรมารนั่นแหละนึกไม่ออกก็นั่งเฉยๆถึงแล้วกันก็ทําให้มันเบาๆอะ่ะ งานมากบางทีมันก็กลายเป็นงานน้อยได้แต่ถ้างานถ้าเราแบกแล้วเนี่ยเรื่องบางบางทีมันไม่ด้มากมายอะไรแต่เราแบกไว้มันก็กลายเป็นเรื่องมากนี่ก็เป็นไอ้คำว่าไอ้ไ อ, อ้อิจโจมีกิจการงานน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรนะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าช่วงขั้นตอนเรื่องอะไรนี่ให้อยู่เฉพาะปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันส่วนการปฏิบัติ กรรมาฐานรแต่ลายๆนะั้นแน่นอนเหลือเกินว่าไอ้เรื่องเรื่องอย่างอื่นก็ต้องตัดแต่ว่าตัวการงานกรรมาฐานก็ต้องทําหรือว่าการงานตรงนี้เรากําลังทำตรงนี้เราก็ไม่ไปว่าวุ่นไปวางแผนไม่ไปคิดไปตกกังวลเรื่องอดีตพ ว, พวกนี้พวกีพวกการงานมากมันก็ต่อมันจากอะไรคือเบากายเบาจิตนะมันจะทําให้ไม่เกิดเบากายเบาจิตแต่ถ้าเรามีการงานน้อยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปรุงคิดน้อย รูงคิดน้อยตัดปัญหาเครื่องกังวลเครื่องคล้องใจต่างๆเรื่องแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปอ ท, ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์นทสิริจันโทวัดบรมนิวาสนะครับท่านมีที่หน้ากติของท่านเนี่ยท่านมีตาเต็งอะไรที่ก็ช่างมีตาช่างสองสองด้านเนี่ยท่านเอาท่านเอาหัวหัวมันไปใส่ไว้อ ห่วมันไปวางไว้ที่หน้ากติเห็นท่านเจ้าคุณทำในโลกก็เอามาชั่งไว้เนี่ยเอ่อก็เป็นแนวเป็นเป็นก็ได้เป็นปริศนาธรรมไปชั่งมันชั่งมันเขาบอกว่าไม่สุภาพคือทําไมไม่รั่ถ้าภาษาไทยแล้วไม่สุภาพทั้งหมดเลยชั่งหัวมันหัวมันเน่ยคือคือเอาหัวมันมาวางแล้วก็เป็นการอนุสอ์เป็นอนุสติเตือนใจอะไรก็ปล่อยวางเพื่อไม่ให้มีอกิจการมาก แล้วมีผลเป็นอะไรเป็นผลเป็นเบากายเบาจิตมันก็ย้อนกันท่านจะเห็นว่าธรรมะอาจจะหลายข้อแต่แต่จริงมันมันบางอย่างนี่คือหลักหลักแล้วก็เป็นเครื่องยื น, นยันยืนยันแล้วก็มาพิสูจน์อีกทีสรุปว่าเป็นปฏิปทาเป็นหลักปฏิบัติที่จะพัฒนาตัวเองไปก่อนเป็นกรณียะคือกิจที่บุคคลควรทํานี้เฉพาะช่วงแรกนะฮะช่วงแรกก็ก็ยังไม่หมดพอดีเวลามันก็หมดเรื่องนี้ก็ยังมีต่อ สมมตวันนี้ก็ข อ, อยติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้